ชาวไฟฟ้ามาหลายวันแล้วสติเกิดบ่อยยังว <c oughs> ียยกรว่าไงประเมินผลว่าไงรุ่นนี้ <c oughs> ไม่ผ่านหมดเลยเหรอผ่านไม่ผ่านไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ว่ามีสติเป็นไหม แต่ได้ธรรมะก็พ้นอ่ะนะนะนะถึงจะผ่านจริงๆการทำนะมาไม่ยากพูดทุกวันนะว่าไม่ยากแล้วมันไม่ยากจริงๆนะไม่ใช่ปลอบให้กําลังใจอะไรหรอกมันจริงๆมันง่ายร่างกายเป็นยังไงเราคอยรู้สึกจิตใจเป็นไงคอยรู้สึกบางคนสงสัยนะว่าดูจิตดูยังไงเอาอะไรไปดูควาจริ ง, รงก็คือการรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองการดูจิต คอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะมีสองกลุ่มความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอันแรกเรารู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันถานเข้ามาเราก็รู้นะเห็นเลยมันไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆนอกจากสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็พวกกุศลและอกุศลทั้งหลายนะปีติสุข เอกะขาตาโลกหลดหลงฟุ้งซ่านหดหูสงสัยนความรู้สึกใดๆกําลังปรากฏขึ้นแก่จิตแก่ใจเราก็รู้ไปเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นแก่จิตนั้นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปอันนี้กลุ่มหนึ่งนะคือรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น การดูจิตดูใจอย่างที่สองก็คือรู้ทันกิริยาอาการของจิตจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะอันนี้เราจะรู้สึกเอาเรารู้สึกว่าจิตมันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปคิดหนะลงไปเพ่งเวลาปฏิบัติก็หลงไปเพ่งจิตมันหลงไปหลงมาก็เราก็คอยรู้เอารวมแล้วก็ดูจิตดูใจก็ดูสองอย่างนี้แหละอันแรกดูความรู้สึกอันที่สองดูกิริยาอาการของจิต ความรู้สึกทั้งหลายมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเปนของเกิดเกิดดับๆเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราส่วนกริยาอาการของจิตมันก็จะสอนให้เราเห็นว่าตัวจีตเองก็ไม่เที่ยงตัวจีตเองไม่เที่ยงตัวจีตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหันใหม่ๆสติปัญญาเราไม่พอเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งมา เดี๋วจิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็กลับมาบางคนก็เลยพยายามดึงไม่ให้มันไปพอมันไปแล้วรู้ว่ามันไปเช่นหลงไปดูก็ดึงคืนมาหลงไปฟังแล้วดึงคืนมาหลงไปคิดแล้วดึงคืนมานี่ไปดึงเนี่ยเพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิ <laughs> เห็นว่าจิตนั้นาเป็นตัวเราจิตมีดวงเดียวเบื้องต้เนเราเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาหรอกแต่ว่าพอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ได้วิ่งหรอก สิ่งที่เรารู้สึกว่าวิ่งไปวิ่งมาเป็นแค่ภาพดวงตาทั้เหมือนเราเห็นตัวกระตูนมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะกระตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักก็พวกอีคิวซังโดเลมอนอะไรพวกนั้นนะรุ่นนี้รู้จักบ่เราเห็นตัวกระตูนมันเคลื่อนไหวทั้งที่จริงมันไม่ได้เคลื่อนไหวมันเป็นรูปนิ่งๆแต่ละรูปนึงรูปมันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนจิตนี้ก็เหมือนกันจิตก็ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาหรอก ถจิตมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแล้วก็ดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นนี่มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วมันเหมือนรูปการ์ตูนนะมันเคลื่อนที่ผ่านเราไปรวดเร็วรูปแล้วรูปเล่าก็เลยเกิดภาพลวงสาว่าตัวการ์ตูนเคลื่อนที่จิตมันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วก็เลยเกิดภาพลวงสาว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้เห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาจริงๆไม่วิ่งหรอก จริงๆเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปรักษานะบางคนพยายามรักษาให้มันอยู่ที่ตาอยู่ที่หูหรือรักษาให้มันอยู่ที่ใจรักษาไม่ได้มันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับในฉับรันนั้นเลยไม่ต้องไปพยายามรักษาหรอกไร้าสาระเครียดเปล่าๆจริงๆแล้วเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นตลอดเวลาสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ไม่เคยขาดสายเลยกระทั้งตอนนอนหลับนะ ตอนนั้หลับจิตยังเกิดดับเลยตอนนหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตยังเกิดดับอยู่แต่ว่าเกิดดับอยู่ในภวังขจิตอยู่ในพบเดิมของจิตพวกเราเคยรู้สึกไหมตั้งแต่เด็กๆบางคนจะฝันอะไรสักอย่างหนึ่งนะบรรยากาศแบบนั้นนะตอนโตขึ้นมาก็ยังฝันในบรรยากาศอย่างเดิมในผวังขจิตนะั้นมันจะไปจับอารมณ์ตั้งเดิมมันจะจับอารมณ์ซ้ําๆลักษณะเดียวกันตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างบางคนใครเคยเป็นไหมไปรู้สึกอยู่ตรงนี้ฝันที่ไรก็รู้สึกสวยงามอยู่ตรงนี้หรือฝันที่ไรก็รู้สึกปอนๆ อ, อยู่ตรงนี้นะซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่านเงี้ยวนๆอย่างเนงะี้ยนะในรวังนะจิตก็ทํางานแล้วก็จับอารมณ์เก่าๆนั่นตัวปฏิสนธิจิตนะระวังขจิ ต, ตจูติจิตนันะเป็นลักษณะอันเดียวกันนะลักษณะอันเดียวกันในพบเดียวกัน เราไม่ต้องไปสนใจมากนะฟังเล่นๆ เ, เอาแค่ว่าจิตนี่มันเกิดดับตลอดเวลากระทั่งนอนหลับจิตก็ทำงานนี่เราก็จะเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับจิตเองเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับรวมความแล้วไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเห็นซ้าแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้อีกอย่างนี้แหละนานๆวั น, น, 7, น7เดือน7ปี เจ็ดปีไม่ได้ผลก็สิบหปีนะตลอดชีวิตหรือเจ็ชาติอะไรนะั่ทําไปเถอะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านมียานทัศนะคมมากองนี้บอกชื่อได้เพราะท่านไม่อยู่แล้วชื่อหลวงพ่อกิมกิมไม่ได้แปลว่าทองนะถ้ามเป็นคนขเขมนคนสุรินกิมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันัน mm hmm. <laughs> เป็นภาษาขเขมรของท่านถามว่าคนซึ่งหัดภาวนาเนี่ยหัดเจริญสติเนี่ย ใช้เวลานา น, านไหมครับกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้พระโสดาท่านบอกโอยไม่นานหรอกใช้เวลาเจ็ดชาติเท่านั้นแหละเนื่ยจากเริ่มต้นจเจริญสตินะท่านบอกไม่นานเนี่ยเท่าที่ท่านสังเกตนะใช้เวลาแค่เจ็ดชาติเองนี่เราหัดนะคนไหนเป็นชาติที่เจ็ดแล้วก็คงจะได้เรื่องแล้ะคนไหนชาติที่หกชาติต่อไปคงจะได้เรื่องนะ ในชาติแรกเนี่ยมันชาติแรกนะเองไม่นานหรอกนะอีกแป๊บเดียวเจ็ดนะชาติก็ได้เรื่องละอันนี้เป็นทัศนะท่านนะแต่ในคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกในพระตรีพิดกไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ไว้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะแค่ความเห็นส่วนตัวของท่านอยู่ที่ว่าพวกเราใช้เวลาในปัจจุบันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าเราปล่อยวนเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้สาระไหมปล่อยจิตปล่อยใจ เรื่อยเปื่อยตามกิเลสไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเราหัดภาวนาหัดภาวนาแล้วเราภาวนาถูกไหมหรือเราภาวนาผิดผู้ภาวนาส่วนมากภาวนาผิดภาวนาทีไรไม่บังคับกายก็บังคับใจบังคับลูกเดียวคิดว่าบังคับไว้แล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานบารรลุไม่ได้ถ้าบังคับไปเรื่ อ, อยๆมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแทนที่จะรู้สึกว่าตัวกูไม่มี บังคับไม่ได้ถ้าเรารู้ถูกต้องเราจะเห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวไปจิตใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานไปนะใจเราก็เป็นคนดูมีใจดวงหนึ่งไปรู้ใจดวงก่อนที่ดับไปสดๆร้อนๆรู้ตามกันไปเรื่อยๆอย่างกุลสุเมธไงใจดวงนี้หนีไปคิดใจหลงประกอบด้วยโมหะเป็นโมหะมูรจิตชนิดที่มีอุท ธ, ธาจาัจจะเนี่ยพูดให้ฟังดูโก้เก๋หน่อยให้ดูเป็นนักวิชาการบ้าง ต้องพูดภาษาต่างด้าวนะคนโบราณถ้าต่างด้าวก็ต้องพูดภาษาบาลีภาษาอะไรไปสมัยนี้ต้องพูดภาษาฝรั่งพูดแล้วฝรั่งก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคนเดี๋ยวนี้พูดได้หลายภาษาคนแต่ก่อนไม่ค่อยรู้หรอกคนแต่ก่อนพูดได้ภาษาเดียวภาษาคน <laughs> คนเดี๋ยวนี้ได้หลายภาษานะยกเว้นภาษาคนพูดถึงใครก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง รู้สึกไหมใจมีความสุขรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดเล่นนะสบายใจสบายใจเราก็รู้นะเนี่ยใครหัดรู้สึกไปหัดดูสภาวะนะเนี่ยถ้าคนเข้ามาถามว่าเนี่ยไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาหลวงพ่อประโมทสอนอะไรบางคนบอกสับสนมากพูดอะไรก็ไม่รู้เนะ <laughs> ฉลยให้ก็ได้ว่าสอนให้ดูสภาวะนะ สอนให้หัดดูสภาวะเพราะงั้นที่หลวงพ่อพูดบางทีก็มีตลกบ้างบางทีก็จริงจังบ้างอย่างน้นอย่างนี้นะน่าจะให้พวกเราหัดดูสภาวะเวลาเราตลกใจเราผ่อนคลายใช่ไหมใจเราขำขำบางทีหลวงพ่อก็หยุดพูดปุ๊บไปใจเครียดขึ้นมารู้สึกไหมนะนี่ยหัดดูสภาวะนะไปเปิดซีดีฟังก็ได้แล้วก็หัดดูสภาวะไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าฟังเป็นสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์วัดบ่านะ เวลาท่านเทศนะ์นะเราก็นั่งสมาธิเราไม่ฟังท่านหรอกนะนั่งสมาธิดูจิตดูใจดูกายะอะไรเง้ยไปอย่างนี้นแหละพอตรงไหนที่มีธรรมะสมควรที่เราจะรู้เรื่องนใจมันจะตื่นตัวขึ้นมารู้เรื่องเองนี่เป็นวิธีฟังธรรมในภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคปริยัติถ้าฟังในภาคปริยัติต้องมีสมุดเอาไว้เล่มหนึ่งด้วยไว้จดจดหัวข้อไว้โน้นโน้นน้ น, น, นไว้นะพอเอากลับบ้านไปนี่มันเรื่องอะไรว่า ไอ้ที่โนตไว้ไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะแต่ถ้าหัดดูจิตดูใจนะเนี่ยเราหัดตั้งแต่ตอนนี้เลยดูใจที่แ่งไปแ่งมานะดูไปเรื่อยๆคอยสังเกตไปหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆทำไมต้องดูสภาวะถ้าเราดูสภาวะเป็นเราจะทำวิปัสสนาได้ถ้าเราไม่เห็นสภาวะจะทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรม ทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรม ท, ทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมนะรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยเป็นสภาวะของรูปประธรรมเนี่ยเราหัดดูสภาวะถ้าเราดูสภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายแสดงใจรักอยู่ตลอดเวลาอย่างรูปใช่ไหมร่างกายเนี่ย มันหายใจออกแล้วมันก็ต้องหายใจเข้ามันหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้นะมันทุกมันต้องหายใจเข้ามันหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกมันก็ต้องหายใจออกใช่ไหมมันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรานั่งอย่างเดียวไม่ได้มันทุกแล้วก็ต้องยืนต้องเดินนะยืนเดินมากก็เมื่อยนัต้องลงมานั่งแล้วก็ลงนอนมีใครยืนอยู่เดินอยู่แล้วลงนอนเลยมีไหมมีเหมือนกันนะวัดพื้นไปเลยนะปกติถ้ายืนอยู่ เดินอยู่ใช่ไหมจะลงนอนก็ต้องยืนก่อนชไหมเราลงนั่งแล้วก็ลงนอนถ้าเดินเดินอยู่แล้วลงนอนก็มีเหมือนกันนะเป็น <c oughs> แบบไม่ได้เจตนาเนะนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวไปนะลเลราก็มีปัญญาดูไอตัวที่เดินยืนเดินนั่งนอนอยู่ตัวที่หายใจออกหายใจเข้าอยู่มันไม่ใช่เราหรอกนะมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เราเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ในการทํำมิปัสสนานะก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเราก็มีกายกับใจเรารู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆเราเห็นเลยมันทํางานของมันเองแหละแล้วก็มันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันถูกรู้ถูกดูมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึง่งมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแถมมันเป็นยังถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่น่ารักเลยไม่น่าหวงแหนเลยนี่ดูไปน้ําจะถอยถอดถอ น, ถอ น, ถอนความเห็นผิดถอดถอ น, ถอนความยึดถือนะ เบื้องต้นก็ถอดถอนความเห็นผิดก่อนว่าร่างกายเป็นตัวเราเราเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเหมือนอุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกต่อมาก็ถอนความยึดถือเห็นเลยมันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยไม่รู้จะยึดไว้ทําไมไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยอย่างนี้ดูกายแล้วก็เกิดปัญญาถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวตนถอนความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราดูจิตก็เหมือนกันเราไม่ได้ดูให้จิตดี ไม่ได้ดูให้จิตสงบนะไม่ได้ดูให้มีแต่ความสุขพวกเราอะลาปฏิบัตินะเราชอบทำยังไงนะจิตฉันจะสงบทำไงจิตฉันจะดีทำไงจิตฉันจะมีความสุขในหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะ่เดี๋ยวตอนส่งกันบ้านใครฟังต้องมีคนถามว่าจิตหนูไม่สงบจะทำยังไงเนี่ยไม่ได้เรียนให้มีความสุขไม่ได้เรียนให้มันสงบนะไอ้อย่างนั้นมันทาสมถะมันตื้นตื้นไ มีปรัสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรานั้นเราดูไปสิใจสงบบ้างใจฟุ้งซ่านบ้างนะใจหดหูบ้างใจร่าเริงผ่องใสบ้างนะใจโลภใจโกรธใจหลงบ้างใจอิดช้าใจกังวลใจกลัวนะใจเป็นอย่างง้อนใจเป็นอย่างนี้เราหัดดูไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าสั่งได้เราก็สั่งเลย หลวงพ่อยังเคยนึกนะแต่ก่อนหัดภาวนาใหม่ๆถ้าเราสั่งจิตได้นะเราจะสั่งจงบรรลุพระอรหันต์นี่ไม่สั่งหรอกกระจอกว่าให้จงมีความสุขอะนะจงบรรลุพระอรหันต์เลยเออไม่สำเร็จเ อ, อ้าจงบรรลุอนาคตก็ได้วะลดให้มันหน่อยนะจนถึงเอ้าจงบรรลุโสโดามันยังไม่ยอมเลยนะมันมีแต่ฟุ้งซ่านนะนี่มันสั่งไม่ได้นะมันสั่งไม่ได้จงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้ใช่ไหมจงอย่ามีความทุกข์สั่งไม่ได้ ดูของจริงไปดูไปเรื่อยนะจนวันนึงใจยอมรับความจริงเราสั่งมันไม่ได้หรอกมันทํางานของมันได้สารพัดมันทำงานของมันเองถ้าดูได้อย่างนี้นะมันก็ถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราได้เนี่ยเราภาวนานะมารู้กายมารู้จิตแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในกายในจิตนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายจากจิตไม่มีตัวเราในที่ใดเลย มีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานี่ต้องฝึกอย่างนี้นะเนั้นเราคอยรู้ความจริงไปเรื่อยเห็นเลยร่างกายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะดูไปตัวเราไม่มีนี่บางคนนะพอ ภ, ภาวนามาเห็นว่าตัวเราไม่มีกลัวนะกลัวเมื่อวานมีนักเล่นเน็ตคนมาหาหลวงพ่อ วันนี้ก็ภาวนาใช้ได้นะแต่ว่าพอแก่ภาวนาเห็นสภาวะแล้วว่าตัวเราไม่มีเนี่ยแกยอมรับไม่ได้เพราะใจเนี่ยรักสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเลยห่วงที่สุดเลยพอรู้สึกว่าตัวเราหายไปตัวเราไม่มียอมรับไม่ได้นะเขี่ยดิ้นรนคน้นคว้าทํายังไงจะให้มันมีตัวตนอยู่วิธีที่จะให้มีตัวตนนักพยายามบอกตัวเองนะว่าฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่แล้วก็หาพยานหาพยานด้วยการไปยั่วคนอื่นเขา ย่ให้เขาด่าบ้างอะไรบ้างนะเพื่อพิสูจน์วันนี้ฉันยังอยู่นะนี่มีคนรับรองนี่มีคนทะเลาะ ก, กับฉันได้ไหมนี่ฉันยังอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะใจยังไม่แข็งพอต้องอดทนนะไม่ใช่พอภาวนาไปเห็นความจริงเบื้องต้นแล้วตัวเราไม่มีรบกลัวอย่าไปกลัวมันตัวเราไม่มีได้น่ะมันพ้นทุกนี้เรามันคุ้นเคยว่าต้องมีตัวเราถึงจะเสพสุขได้พอเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีบางคนกลัวไปเลย บางคนไม่กลัวแต่เบื่อรู้สึกเซ็งมากเลยชีวิตนี่เซ็งสุดๆเลยบางคนรู้สึกหวงโวงเวงิวง้งวางเนี่ยอักษรวแหวนทั้งนั้นเลยโวงวงเวงิ้งว้างวิววิวคงไม่ใช่ว่าบามนะเว้น <laughs> <laughs> สตัวนหนึ่งก็แล้วกันนะวันไหวเอออย่างนี้ใช้ได้หไหมอักษรวเนี่ยเป็นอักษรที่ไม่สเตเบิลเสียงตัววนะไม่สเตเบิลเหมือนเสียงสระเอเสียงสระเอเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่สเตเบิล ในภาษาไทยนะเซใช่เกเรเขเฉสระเอียนี้บ้ยเบี้ยวทั้งนั้นเลยมีตัวเดียวที่ตรงอะไรรู้ันะ้ยเดมีตัวเดียวนอกานั้นเอียงหมดเลยนะส่วนอกักษรที่เอียงเนียอกักษรวหวนนะแสดงความบั่นไหวเคลื่อนไหวเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่บรรณสินต้องเรียนนะพวกเนี้ยเป็นศาสตร์นะศาสตร์ของเสียงนี่ถ้าเราคอยฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆคอยดูไป ใจมันเบื่อขึ้นมาก็รู้ใจมันกลัวขึ้นมาก็รู้ใจมันหวิวหวิววันไหวโวงโวงอะไรอย่างนี้ก็รู้ไปเป็นทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็หายอดทนนะอดทนยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับนะั่นคือมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์สูงสุดในสังสารวัตเลยพวกเราที่เดินทางร่อนเร่ในสังสารวัตร ส่วนมากไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมบางคนชอบถามนะเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมบางคนถามยิ่งกว่านั้นอีกทําไมต้องเกิดมานมะีอย่างนี้ก็มีนะลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่เทศมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ่ะร้องไห้มาเลยร้องไห้มารู้สึกภาวนามาช่วงหนึ่งรู้สึกจิตใจแย่มากและมาคร่ําครวญกับหลวงปู่หลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมา ห, มหนูไม่อยากเกิดทําไมหนูต้องเกิดมา หลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มเพราะไม่รู้แก่ไม่เก็ตนะบอกทําไมหนูต้องเกิดมาเนี่หลวงปู่บอกอีกเพราะไม่รู้ครั้งที่สามแกบอกว่าอะไรนะหลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้อะนะ <c oughs> ความจริงหลวงปู่พูดถูกนะที่เกิดมาเพราะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจนะถึงต้องเกิดมาเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็เลยต้องเกิดมา เราฝึกไป เ, นะเรื่อยนะเจริญสติจเจริญปัญญาไปถึงว่าหนึ่งเราก็รู้ความจริงความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษไม่ใช่ตัวเราหรอกพอรู้ความจริงเงี้ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพอปล่อยวางไปแล้วเนี่ยความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกนั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แต่แจ้งนะสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกคําว่าสมุทัยคือตัณหาเนี้ย เขาบอกว่าสมูทัยให้ละคำว่าละเนี่ยนะมันมีละตั้งแต่เบื้องต้นละด้วยการรู้ทันตรงนี้ก็ละนะแต่ถ้าละที่เป็นสมุทเฉดนะละด้วยปัญญาอันยิ่งเลยจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนี่ยก็จะละสมูทัยเด็ดขาดคือสมูทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ในขณะที่สมูทัยไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยในขณะที่ ป, ปราศจากสมูทยัยในขณะนั้นแหละนิโรธคือนิพพานก็จะแจ้งขึ้นมาเพราะนิพพานคือความสิ้นตัณหา เรียกว่าวิราคะแลสิ้นตัณหาก็สิ้นความปรุงแต่งก็คือนิพพานอีกนั่นแหละนิพพานหมายถึงว่าไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนิพพานไม่ยึดถือในรูปในนามนะพ้นจากความยึดในรูปในนามนะหมดความอลาลัยอาวรณนะ์เรียกว่าอนนาระยะนะไม่อลาลัยอาวรณ์ไม่ยึดถือเรียกว่าวิมุตตนะ์มีชื่อเยอะแยะนะใจเป็นสภาวะธรรมซึ่งพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกาะเกี่ยว พ้นจากกิเลสพ้นจากาธาตุจากขันธ์จากอายตนะที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนม่นปล่อยออกไปหมดงั้นเราคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกอยู่ปัจจุบันนี้แหละรู้สภาวะไปนะแล้ววันหนึ่งจะได้ลิ้มรสของมรรคนิพพานเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยต้องรู้เป้าหมายของชีวิตนะเป้าหมายของชีวิตเราเพื่อถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้มันเรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่ทุกข์ตลอดกาล ทุกแล้วทุกอีกตายแล้วตายอีกก็ทุกแล้วทุกอีกอยู่อย่างนั้นแหละคนไม่เชื่อตายแล้วตายอีกก็ดูปัจจุบันไปมันก็ทุกอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแลเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะวันเนึ่งใจถอดถอนความยึดถือออกไปแล้วก็มันพ้นทุกต่อหน้าต่อตาเลยเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์เรียกว่าเราเราพบสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่สุดในสังสารวัตละคือพ้นพบธรรมะ ดนั้นเราเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยก็เพื่อสแสวงหาธรรมะนั่นเองส่วนคนซึ่งเขาไม่มีสติปัญญาเขาไม่สามารถสแสวงหาธรรมะได้เขาจะสแสวงหาอะไรเขาสแสวงหาความกามกามคือความสุขความเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะการกระทบสัมผัส ต, ต่างๆเนี่ยคนทั้งหลายก็เที่ยวสแสวงหาความสุขกันแบบนั้นอีกพวกหนึ่งก็สแสวงหาความกามที่ประณีตขึ้นไปอีกนะคือสแสวงหาความสุขทางใจ เข้าสมาธิทำฌานทำอะไรไปนะก็ได้รับความสุขทางใจเป็นราคาที่ละเอียดขึ้นไปส่วนผู้มีสติมีปัญญาเนี่ยภาวนาจนเราเข้าใจทำรู้แจ้งอริยสัจพอรู้แจ้งอริยสัจนะพ้นทุกข์ตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ขณะจิตที่รู้แจ้งอริยสัตนั้นเลยพ้นทุกข์เลยตั้งแต่นั้นถ้ารู้แจ้งแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตอีกแล้วจิตไม่มีการทางานนะ จิตทำหน้าที่ของจิตไปเรียกว่าเป็นกิริยาแต่ไม่มีการทำงานด้วยความจงใจใดๆแล้วทำของเขาเองโดยอัตโนมัติใจก็โปร่งโล่ ง, ลงสบายเพราะงั้นหลวงพ่อขอให้คำแนะนำพวกเรานะรีภาวนาแล้วเป็นพระอราหารันต์วๆเวลาที่เหลือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขนะพุ้มค่าที่สุดเลยอย่าไปมัวแต่อริษณอร่อยกับของกิ๊กกิ๊กกอกกอกนะ ความสุขทั้งหลายในโลกที่ทําให้เราติดอกติดใจนะั้นมันเป็นความสุขเล็กน้อยเหมือนความสุขของเด็กเล่นกลวดเล่นทรายเล่นดินลิ้นเล่นโคลอนอยู่ข้างถนนข้างคลองเท่านั้นเองความสุขในธรรมะนะมันประณีตมันสะอาดหมดจดนะมันดีกว่ากันเยอะนั้นอย่าเสียดายความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยเรียนรู้ธรรมะไปแล้วเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วความสุขที่เป็นอมตะด้วยความสุขในโลกไม่ออมตะหรอกอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวก็หายไปแล้วหมดเวลายังยังไม่หมดตรวจกันบ้านซะหน่อยอะแม่ชีกับน้ำมรสการหลวงพ่อคะ่ะวันสองวันก่อนที่หลวงพ่อสกิดให้ดูสภาวะเนี่ยพอกลับไปก็เห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยเขาเข้าใจที่หลวงพ่อสกิดให้ดูเองอะ ค, ะคือเห็นสภาวะแล้วก็เห็นตัวจิตผู้รู้ไปในตัว ก็ก็เรียกว่าก็เข้าเข้าที่ได้ค่ะก็ก็แต่ว่าในช่วงที่ดูแรกๆเนี่ยมันก็มันจะเหมือนกับขาดช่วงไปนิดนึงขาดสติไปแล้วก็รู้อเหมือนเผลอไปแล้วก็รู้ต้องอย่างนั้นน่าไม่ใช่มันมันมันเผล่บ่อยอก็รู้หารู้ได้บ่อยๆนั่นแหละดียิ่งเผล่บ่อยยิ่งดีในช่วงที่มันเข้าสมาธิอนะคะทีนี้ขออนุญาตถามสมมุติอันหนึ่งจิตมันสงสัยนะคะหลวงพ่อจะกรุณาตอบก็ได้นะคะ แล้วแต่หลวงพ่อพิจรารณาคือมันสงสัยว่าจิตมันสงสัยว่าฐานะของจิตผู้รู้กับวิญญาณอคัญ น, นะคะอื ม, มันเป็นยังไง <c oughs> มันเกี่ยวข้องกันคือ <c oughs> หนูจะเห็นจิตผู้รู้ <c oughs> แต่วิญญาณเนี่ยนะ <c oughs> เป็นธรรมชาติที่อย่างรู้อารมณ์ถึงเรียกว่าวิญญาณนะตัวจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวจิตทั้งหลายนั่นแหะก็อยู่ในวิญญาณอคัญ น, นี่วิญญาณอคัญนะวิญญาณเนี่ย หรือตัวจิตบางทีก็ใช้แทนที่กันได้จิตนั้นมันมีสารพัดจิตถ้าจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวไปรู้การกระทบอารมณ์ตรงๆนั้ น, นเขาเรียกว่าวิญญาณ น, นิดพอกระทบอารมณ์แล้วนี่มันมีการทํางานต่างๆนานาขึ้นมานก็เป็นจิตชนิดต่างๆขึ้นมาวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่งนั้นะทั้งหมดก็อยู่ในวิญญาณาขันเหมือนกันเป็นจิตเหมือนกันแต่ว่า มีธรรมชาติที่แตกต่างมีการทําหน้าที่ที่แตกต่างตัวจิตผู้รู้เนี่ยถ้าพูดในตามตามอภิธรรมนะมันคือมหากุศ ล, ลจิตนะเป็นจิตที่เป็นกุศลอยางสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกงังเกิดขึ้นเองไม่ได้ชวนให้เกิดไม่ได้น้อมให้เกิดฉะนั้นจิตตัวผู้รู้เนี่ยมันก็อยู่ชั่วคราวไม่ใช่ตัวถาวร บางคนไม่เข้าใจก็ไปรักษาตัวจิตผู้รู้เมื่อไร่รักษาตัวจิตผู้รู้จนกระทั่งตัวจิตผู้รู้เกิดซ้ำๆๆๆตัวนั้นจะเป็นฌานจิตนั้นตัวผู้รู้เนี่ยนะมีตั้งแต่ในจิตของมนุษย์ธรรมดาจนถึงในจิตของพรหมต่างๆยกเว้นพรหมลูกฟักนะไม่มีจิตนี่ตัวจิตผู้รู้ก็คือจิตผู้ไม่หลงเอาง่ายๆจิตผู้รู้คือจิตผู้ไม่หลงก็คือวิญญาณอย่างหนึ่งคือมันเป็นคําเดียวกันนะ จิตมโนวิญญาณใช้แทนที่กันได้แต่ว่าถ้าในพุธในทางปริยัตเนี่ยก็จะทำงานต่างๆกันทำมองกันคนละมุมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกถ้าไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบตัวอารมณ์ก็เรียกวิญญาณใช่ถ้าไปทำงานอื่นๆก็เรียกว่าจิตถ้าไปเป็นตัวรู้ธรรมารมก็เรียกว่าใจสารพัดจะเรียกรวมความแล้วก็คือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเอง คำว่าธรรมชาติที่รั่วโรงก็คือนิยามของจิตแต่ทําไมท่านมีวิญญาณขันธ์สแสดงว่ามีกองของจิตไม่จิตไม่ได้มีชนิดเดียวจิตมีหลากหลายก็เลยเรียกว่าวิญญาณขันธ์อยากคิดมากหนะ้าเรียนไปแล้วเดี๋ยวจะต้องสอนอภิธรรมกันจิตดวงนี้เรียกว่าวิญญาณจิตดวงนี้เรียกว่ามโนจิตดวงนี้เรียกว่าจิตอะไรเงี้ยเขาแจกแจงได้นะในตํารามี เมื่อวานนี้หนูสี่วันนี้หนูมานั่งฟังหลวงพ่อแล้วก็ดูสภาวะไปเมื่อวานนี้มันก็ปิ๊งเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการที่มานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยแล้วหัดดูสภาวะไปเนี่ยเราได้เข้ารูปแบบไปในตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วพอออกไปหนูนั่งรถต่อไปอ้าสภาวะข้างในมันยังทำงานแล้วเราก็สามารถรู้สึกต่อได้เลยนั่นแหละวัตถุประสงค์ที่ให้มาฟังนะเบื้องต้นน่ะมาฟังเพื่อหัดรู้จักสภาวะ พอรู้จักสภาวะเป็นแล้วมานั่งฟังเนียเพื่อจะดูสภาวะอาศัยการฟังนะเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองพราะเวลาฟังหลวงพ่อพูดนะจิตมันจะแกว่งไปแข่งมาหลวงพ่อไม่พูดเรียบร้อยตลอดใช่ไหมแล้วไม่มีโมโนโทนใช่ไหมถ้าโมโนโทนเนี่ยถ้าหากทั้งวันหลวงพ่อพูดด้วยเสียงอ่าอย่างเงี้ยจิตมันซึมไปเลยนะหรือพอเจอหน้าโยมนะหายใจเข้าพูดหายใจออก อย่างนัใจก็จะเป็นอันเดียวของหลวงพ่อจะไม่มีน้ําโมโนโทนก็แข่งไปแข่งมากนหลอกให้หัวเราะบ้างแลบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้เราดูสภาวะดีใจให้นมามีความสุขขึ้นมาฟังแล้วตรงนี้บางทีพูดอภิธรรมอะไรเลยฟังให้เครียดเล่นอนะ่ะฟังอะไรอะไรอะไรนะอตอนนั้นถ้าฉลาดนะอ๋ อ, อกําลังสงสัยอยู่นะีสับผ่านลนะส่วนมากสับตกคิดใหญ่เลย งั้นหัดดูสภาวะไปนะแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ